นี่เป็นวันพิเศษนะนอกจากเป็นวันแม่นะของคนไทยแล้ว <s> ก็ยังเป็นวันหลวงพ่อนะของชาวสุกโตหนะลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโนะ น, นะท่านเกิดมาที่12สิงหานะถ้าท่านอยู่จนถึงวันนี้ก็อายุ81ปีนะอันนี้พวกเราที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อจะชวนกันไปทำความดีนะ ตามเจตนารม์นะของหลวงพ่อนะก็คือการไปปลูกป่าไปปลูกป่าที่ภูหลงนะก็จะมีลูกศิษย์จากหลายวัดในเครือข่ายบนหลังเขาเนี่ยนะสุขโตนด้วยวัดภูเขาทองด้วยนะรวมทั้งอ่า วัดปรงช้างนะแล้วก็อีกสองสามวัดนะที่มีลูกศิษย์นําไปเป็นเจ้ า, าวาดอยู่ก็นัดกันไปนะปลูกป่าเช้านี้หลวงพ่ออมเขีย น, นเคยกล่าวว่าชีวิตของท่า น, นมีสองด้านหรือสองสีกนะเสี้ยเหนือคือการอนุรักษ์ป่าอีกเสีกเหนือคืองานสอนกรรมฐาน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 ก็คือป่าหรือธรรมชาติที่ร่มรื่นนะเรียกว่าลมมณียสถานเนะี่ยอันนี้ผู้เจ้าก็ได้แสดงเป็นแบบอย่างแล้วนะว่าถ้าได้สถานที่ที่ร่มรื่นลมมณีนะการปฏิบัติธรรมก็ก้าวหนะ้าจนถึงขั้นพ้นทุกข์นะที่พระองค์ตัดสรตปพระสัมมาสัมพธิยานได้ก็เพราะการบำเพ็ญเพียรนะหรือแม่น้ำนรัญชาาใต้ต้นโพนะซึ่งพระองค์ก็ อ, ออกปากเองว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการทำความเพียรนะมีไพรสนร่มรื่นน่าชื่นบานนะมีน้ำไหลผ่านนะน้ำไหลยเย็นใจนะอันนี้ป่านี้ก็เป็นลมมิยสถานนะอีกอย่างหนึ่งนะที่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรม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 บุญของผู้นั้นย่อมเจริญนะทั้งวันและทั้งคืนนะฉะั้นถ้าเราปฏิบัติกับธรรมชาติอย่างถูกต้องเนี่ยเช่นปลูกต้นไม้รักษาป่านี่ธรรมะในใจเราก็เจริญงอกงามแล้วที่สำคัญคือว่าเรานะสามารถจะรู้ทำเข้าใจทำรรได้ก็จากการเรียนรู้สังเกตรธรรมชาตินะนะหลวงพ่อขงเชียนได้เขียน ข้อความที่เอามาคัดลอกไว้ในกระดาษไว้ในไม้แผ่นนี้บอกว่าธรรมะนี่ก็คือตัวธรรมชาตินี่เองนะไม่ได้หนีไปจากธรรมชาติที่ตรงไหนนะคนเราเนี่ยสามารถจะพ้นทุก์ได้นะด้วยการสังเกตธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานกรรมฐานของหลวงพ่อเนี่ยกับงานอนุรักษ์ป่าเนี่ย มันก็เลยเป็นเรื่องเดียวกันนะแล้วพวกเราซึ่งเป็นลูกศิษย์นะเมื่อถึงวันสำคัญอย่างนี้นะก็ควรที่จะได้ทำความดีนะเพื่อสนองคุณของหลวงพ่อนะและการสนองคุณที่ดีคือการปฏิบัติตามคําสอนของท่านนะรวมทั้งการเดินตามรอยท่านนะซึ่งอันหนึ่งก็คือการอนุรักษ์ป่านะเรื่องการปลูกป่า หลวงพ่ อ, อเที่ทานเป็นนักปลูกต้นไม้นะเรียกว่าตั้งแต่ตั้งแต่บวชใหม่ๆนะจนกระทั่งจนถึงระยะท้ายของท่านเนี่ยขนาดป่วยนะเป็นมะเร็งเนี่ยท่านก็ยังไม่เว้นนะจากการปลูกต้นไมนะ้ปลูกตามกำลังของท่านเพราะฉะนั้ น, นวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะที่เราจะได้ม า, าไป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 ให้มันให้มันทุกแต่กายนะแต่ใจสงบเย็นนอกจากอนุนักป่าแล้วหลวงพ่อเขียนท่านก็ใส่ใจขนขวายกับการรักษาธรรมชาติบนหลังเขานี่ด้วยนะยท่านเป็นผู้ที่เริ่มธรรมญาตรานะตั้งแต่ปีสี่สามนะเพราะว่าท่านเห็นความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติบนหลังเขาไม่ว่จะเป็นภูเขาซึ่งเคยเขียว มีต้นไม้ปกคลุมกลายเป็นเขาหัวโลนหรือว่าปกคลุมไปด้วยหญ้านะพอถึงหน้าร้อนนี่ก็เหลืองไปหมดนะมันไม่เขียวเหมือนแต่ก่อนน้ำนี่ก็ที่เคยไหลแล้วก็ลึกกว้างมันก็แคบแล้วก็ตื้นแถมมีมลพิษอีกนะพื้นดินนะที่เคยมีชีวิตชีวามีแมลงมีสัตว์เล็กเล็กน้อยๆ้อยที่ช่วย นะเติมโอชาใช้กับพื้นดินให้มันมีชีวิตมันก็กลายเป็นพื้นที่แห้งนะเรียกว่าเป็นพื้นที่ตายแล้วเนี่ยเพราะว่าสารพิษนาน า, นาชนิดรวมทั้งการที่มันไม่มีพืชปกคลุมนะทำให้มันแข็งกระด้างหลวงพ่อท่านก็นเลยจัดรณรงค์นะทุกปีเนี่ยเดินธรรมยาตราเป่าประกาศให้คนบนหลังเขาได้รู้ว่า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 อันนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมพร้อมๆกับการรักษาธรรมชาติเป็นงานที่ส่งเสริมนะทั้งธรรมชาติและธรรมะไปพร้อมๆกันนะถ้าเราจะปฏิบัติธรรมแต่เราไม่ดูดายธรรมชาติอันนี้มันก็ไม่ถูกต้องนะนะถ้าจะเอาแต่ปฏิบัติธรรมแต่ว่าไม่สนใจการรักษาป่าไม่สนใจที่จะปลูกป่าให้มันจเจริญงอกงาม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 นะถ้าจะหาความสงบในป่าบางทีมันก็ง่ายไปนะเพราะว่าเราต้องรู้จักรักษาใจใสงบได้แม้ว่าเราจะออกไปนะอยู่ภายนอกอย่างวันนี้หลายคนก็จ ะ, ะครกกบกาหนดน ะ, ะการปฏิบัติธรรมปิดคอร์สนะอยู่ที่นี่ 6-7 วันอาจจะรู้สึกว่าใจเริ่มสงบแล้วหลายคนวิตกว่าเดี่ออกไปข้างนอกนะกลับไปบ้านกลับไปที่ทำงานออกไปสู่โลกกว้างจิตใจมันจะว้าวุ่นนะ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 เราควรจะรู้จักเอามาใช้นะวันนี้ก็จ ะ, ะคนที่จะไปปลูกป่าก็จ ะ, อ, ะออกจากที่นี่ประมาณเก้าโมงเช้านะเก้ามงเช้าแล้วก็จะไปปลูกกันที่ผูหลงน ะ, ะบนในแปลงที่จัดเตรียมเอาไว้นะซึ่งทำอย่างนี้ต่อเนื่องมาทุกปีนะตั้งแต่ ตั้งแต่ปี27แล้วมั้งนะตอนที่หลวงพ่อยังไม่มรณภาพด้วยซ้ำนะสิสิงหาเป็นเรื่องที่รู้กันนะในหมู่ ล, ลูกศิษย์หลวงพ่อว่าเราจะมาปลูกป่ากันวันนี้หลายคนก็มาจากกรุงเทพหลายคนก็มาจากที่ไกลนะพ่อรู้กันนะโดยที่ไม่ต้องไปประกาศมากนะรู้ว่า12สิงหาแล้วนะเรานะจะมาปลูกป่าถวายหลวงพ่อนะหรือว่าปลูกป่าให้กับพระศาสนานะ ไม่ใช่เฉพาะภูหลงเท่านั้นนะจริงๆมันปลูกป่าให้กับธรรมะในใจเราด้วยให้ธรรมะในใจเราเจะเลยงอกงามจากการที่จะททำความดีจากการที่ได้เสสระนะเพื่อส่วนร่วมนะแล้วก็อย่างที่บอกไว้เมื่อตอนเช้าว่า23สิามิงหานี่ก็เป็นวันมรณภาพของหลวงพ่อหลวงพ่อท่านมารณภาพประมาณตีห้าเราก็จะปฏิบัติธรรมข้ามคืนนะ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 แต่ที่จริงนะเดี๋ยวว่าแต่ใจเราเลยนะกายเราก็น่าจะไหวนะถ้าว่าเราได้นะได้ทดลองดูนะก็เป็นโอกาสดีนะก็ขอเชิญชวนอ่แล้วก็เตรียมรับพร